บิดกลับม า, างนี้พอบิดแล้วกดลงไปด้วยงนี้กดลงไปางนี้ด้วยแล้วก็กดทางนี้มันจะคลายผ่อนคลายต้องรู้จักการผ่อนคลายนะถ้าเราผ่อนคลายมันก็หายลองดูบ่ายวันนี้จะไม่ปวดแล้วรู้สึกปวดไหล่ปั๊บสับแขนทันทีนะ เปลี่ยนท่าทันทีรู้สึกปวดไหลให้เปลี่ยนท่าทันทีเลยพอเปลี่ยนท่ามันก็จะไม่ปวดมันเกิดอาการผ่อนคลายนี่ปวดไหล่ปวดเอวมีไหมปวดเอวจะเยอะหน่อยนะยกยกให้ชัดๆที่ปวดเอวปวดเอวเนี่ยมันเป็นรางวัน เป็นรางวัลแถมให้สำหรับคนที่เขาเรียกว่าคนดื้อคนที่ปวดเอวเนี่ยเป็นคนดื้อแต่มาครั้งนี้ก็จะไปถือว่าดื้อก็ไม่ได้นะเพราะว่ามาจากพิธรมโชติกาวิยาไลเลยเลยไม่เรียกว่าดื้อนะ ถ้าสอบอารมณ์แล้วยังปวดอยู่เนี่ยคือดือมันเกิดมาจากก้าวเท้ายาวบอกว่าก้าวเท้าสั้นๆไม่ยอมอยังก้าวยาวเหมือนเดิมอยู่เลยเรียกว่าคนดือกไงตอนสอบอารมณ์อาจารย์จะแก้ว่าก้าวเท้าสั้นๆแล้วก็เวลาก้าวเท้าเนี่ยเราวางเท้าชิดกันพอวางเท้าชิดกันเท้ามันก็ต้องเลยไปข้างหน้า พอเราก้าวเท้ายาวตอนเคลื่อนตัวเนี่ยไอ้เท้าหน้ามันจะยืดขึ้นมันก็เลยไปดันเอวปวดเดินไปเดินไปก็เลยปวดเอวปวดเอวมันเกิดมาจากการก้าวเท้ายาวเกินไปถ้าเราก้าวเท้าสั้นนิดหนึ่งอาการปวดเอวก็จะไม่เกิดละบางคนปวดข้างเดียว สงสัยทำไมมันปวดข้างเดียวก็ก้าวยาวข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งไปมองดูนะถ้าปวดเอวข้างเดียวเนี่ยทุกคนไปเลยก้าวสั้นขาหนึ่งยาวขาหนึ่งไปปรับไอ้ข้างยาวให้มันสั้นแล้วมันก็หายและไอ้ข้างยาวเนี่ยเราปรับให้สั้นนะหายปวดเอวหายและครับนี่แล้วก็ปวดหลังปวดหลังมีไหม ปวดหลังมีมีไม่ค่อยมากนะปวดหลังเนี่ยมันมาหลายสาเหตุส่วนมากก็เดินตัวงอเราเดินเดินไปแล้วมันงอตัวเงี้ยตัวมันงอเงี้ยพอตัวงอปั้มก็เลยปวดหลังแล้วบางทีมันก็มาจากสาเหตุอื่นๆอีกบางทีต้องไปแก้ด้วยการไปเดินให้ดูว่ามันมาจากสาเหตุไหนไปทําให้ปวดหลังแล้วก็แก้แก้แล้วหาย ต้องอาศัยการแก้ด้วยตัวเองนะเพราะว่ามาช่วงนี้มากันเยอะไม่สามารถที่จะแก้ให้ทุกๆุกคนสอบอารม์ก็ยังสอบได้ไม่หมดนะที่สอบอารมณ์ไปแล้วยกมือให้ดูหน่อยนะมีทั้งหมดประมาณกี่ท่านสอบไปแล้วนะแล้วที่เหลืออยู่ คนที่มาที่นี่เป็นครั้งที่สองอยังเหลืออยู่ยังไม่ได้สอบอา ร, รมณ์มีประมาณสักกี่ท่านลองยกมือหน่อยสิประมาณสักสิบกว่าท่านยังเหลืออยู่น ะ, ะเพียงหลังจากบรรยายจบนะหลังจากบรรยายจบท่านที่มาที่นี่ครั้งที่สองยังไม่ได้สอบอา ร, รมณ์เนี่ยจะจะให้เข้าไปสอบอา ร, รมณ์คงไม่ไม่ตกใจแล้วนะสอบอา ร, รมณ์นะ บาทีพอเรียกสอบมาลมนั้วกลัวตกใจเข้าไปแก้ไขเท่านั้นเองแก้ไขว่ามีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาปวดลายปวดขาปวดน้องมีไหมปวดน้องลืมถามไปปวดน้องมีหรือไม่มีปวดน้องมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมปวดน้องมันเกิดจากการยกซ้นเกินยกซ้นสูงเกิน พอยกซนยกซ้อนสูงเกินไปมันทำให้ต้องเกรงส่วนน้องเลยปวดน้องกดลงไปนิดหนึ่งก็หายแล้วนะกดซ้อนลงไปนิดหนึ่งให้มันหย่อนพอดีพอดีเราทำอะไรพอดีพอดีเนี่ยปัญหามันจะไม่เกิดไอ้ที่เราเกิดปัญหาเพราะว่ามันมันเกินพอดีทำแล้วเกินพอดีไป พอเกินพอดีไปปัญหาเลยเกิดย่อนก็ย่อนเกินพอดีย่อนเกินพอดีก้าวเท้ามีปัญหาอีกก้าวเท้ามันจะวิดเท้าเนี่ยมันจะวิดพอเราหักเข่ามากย่อนก้าวมันจะวิดกระตุกกระตุกปกั๊บไปกดเพิบมเอ๊ะทไมมันเป็นอย่างนี้เพราะเราตั้งใจมากเกินไปเดินจงกรมเนี่ยถ้าเรา เข้าใจเนี่ยว่าการเดินจงกรมนั้นน่ะไม่ต้องตั้งท่าไม่ต้องตั้งใจมากเพียงแต่ทำตัวเหมือนกับเราเดินเล่นเท่านั้นน่ยเดินเล่นแต่ช้าหน่อยเดินเล่นเดินช้าช้าเหมือนกับเราเดินดูอะไรเล่นเล่นไปช้าช้าเนี่ยเราเดินแบบนั้นน่แล้วก็อย่าตั้งใจมากเกิน ตั้งใจมากเกินเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการเกร็งแล้วเพียงตามดูดูเบาๆไม่ต้องดูหนักเกินไปถ้าเราดูหนักเกินไปมันทำให้เกิดอาการเกร็งพอเกร็งแล้วปัญหาเกิดทำให้เกิดปัญหาปัญหาทุกปัญหามันมาจากเกร็งการปฏิบัติเนี่ยมาจากเกร็งเรกร็งส่วนไหนเป็นปัญหาส่วนนั้น เกรงแล้วไปมีปัญหาเนี่ยเกรงส่วนแขนก็มีปัญหาตรงแขนเกรงส่วนไหลก็มีปัญหาตรงไหลเราเดินแล้วเราตั้งใจมากเกินพอเกรงแล้วทําให้จิตมีปัญหาเป็นไงพอจะเป็นไปได้ไหมเดินแบบเมื่อเช้านี้แล้วสมาธิเกิดมีบ้างไหมสมาธิเกิดเดินแล้วมันรู้สึก เบาเนื้อเบาตัวมีบ้างไหมหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะมันเริ่มเบาเนื้อเบาตัวบ้างแล้วคราวนี้ถ้า